เอวัมเอเสือเอเสืออินิยกัมเมสุณคณะปุรกาโหนตินีครับจบที่นี้สอนครั้งนึ่งครับในเนื้อความที่ตั้งท่านยกมาจากบาลีว <war> <resistance> ่าที่ในบาลีบอกว่าสมสมทำปฏิการนาที่สุผู้ควรแก่ปฏิการนานะครับให้เป็นที่สีแล้วทํากรรมในในเนื้อความย่อในในตัวบาลีก่อนนะครับแล้วแล้วทํากรรม ต้องต้องเอาเอาโซเดอรมามีการให้ปริวาสเป็นต้นนะครับอายกบทตั้งมาทีนี้เอามามามาดูอาณาถาแก้แก่บทนั้นว่าไงแก้บทว่ามูรายักริกัรสนาระหะสจตโฉ ท, ที่ทําที่จูผูควบคุนแก่มูรายักริกัรสนาให้เป็นที่สี่คือทําทําแบบไหนทีนี้ตรงนี้ไม่เนียไม่อธิบายเพราะมีมาก่อนเขาบอกว่าในปริวาสิกาทิจูทําอย่างไรนะครับทําให้เป็นทำสองทำ ทำปริวาสิกาพิจูเอาแฝแฝงนความที่วาสงทำมูลายะให้เป็นคณะปุรกะในวินันยกรรมทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้นะครับเหมือนปริวาเหมือนทำในปริวาสิกะพิจุนะครับเหมือนกันทําไม่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เสเสสะเอเสสะสังฆกรรมเมสุโอนติ ในสังครรมที่ลือทําได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันก่อนตรงนี้ผมจะยกให้ให้ใหท่านรถเห็นว่าวันก่อนท่านรถเข้าใจว่าในที่นั้นหมายเอาปริวาทอย่างเดียวหมายเอาปริวาทอย่างเดียวไม่หมายถึงสิทธุอื่นๆ น, นี่เริ่มมาโมระยะไม่ไม่ใช่ปริวาทแล้วนะครับใช่ไมครับควรแก่ควรแก่การ ถ้าเขาหาบัาเดิมปริวาติตรงนั้นเสียแล้วนะครับเสียแล้วเสียแล้วต้องต้องเริ่มกันใหม่แล้วอันนี้เป็นมูลระยะปริกำสนะแล้วนะครับเป็นต้นด้วยนะครับมีอาทีจู ด, ด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่คนเดียวเดี๋ยวมานัดเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูข้างล่างนี่ทำวิธีทำเหมือนกันในปริวาตคือจะทําองค์นั้นนที่ยังไม่ได้เก็บวัดะมาให้เป็นคณะบูรการไม่ได้ นะครับที่ยังประพฤติอยู่อย่างเนี้ยหรือยังไม่ได้ขอไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยครับเอามาทําเป็นคณะปรุรกาในกรรมนั้นๆไม่ได้เอเตสุวินยกรรมเมสุเลยนะครับในกรรมในกรรมนี้ไม่บอกอะไรกรรมอะไเพราะปริวาสบอกมาแล้วใช่ไหมครับมีการให้ปริวาสเป็นต้นใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องใช้อธิษฐ์เพราะมีมีมาข้างบนใช่ไหมครับไม่ต้องใช้แล้วทาไม่ได้แต่กรรมที่เหลือจากปริวาสมานัตอภารนี่มูลระยะมูลเยะทั้งรวมลงในในมานันะครับลงในปริวาส กำที่เหลือทําได้นะครับปัจจุบเริ่มมีสององแล้วนะครับปริวาสด้วยที่ท่านเข้าใจว่าปริวาสอย่างเดียวที่นี้เริ่มแปกออกไปแล้วมูลยะก็ได้อีกใช่ไหมครับมูลยะก็เหมือนกันเลยเหมือนทําเหมือนในปริวาสทีนี้ดูต่อดูต่อไปอีกนี่เนื้อความมันเออเอเอบทประโยคมันจะติดต่อกันเลยนะครับมานตามนตานาณาตจาริกัสสะวัตเตสุเทวศิกังอาโรเจตาพังวิเศโสนะครับ ในวัดแห่งการอะไรในวัดของมานะตะมีพิเศษเฉพาะการบอกทุกวันเท่านั้นที่เหลือต้องประพฤติเหมือนกับที่เราบอกมาแล้วข้างหน้านูน้นนะครับทีนี้จะเข้าใจอย่างตรงนี้ว่ายังไงนะครับตรงนี้ต้องเอาไปพิจนารณาแล้วนะครับอย่างนี้อย่างนี้วันก่อนพระนามของวันก่อนนะครับวันวันที่เจ็ด ว, วันก่อนบอกว่าปริวัต สงจะทําปริวาสิกัดพิษเนี่ยเป็นเป็นผู้ครบจํานวนในสงเป็นคณะบูรกรรมนะทําอย่างนั้นในในกรรมมีการให้ปริวาสให้มูรายะให้มานัทให้อภารอย่างเนี้ยทําไม่ได้นะครับตรงนั้นเข้าใจใช่ไหมครับอ่าตรงนั้นเข้าใจทีนี้ต่อมาไม่ได้ทําปริวาสแล้วจะทำที่สู่ผู้ควรแก่มูรายะปริกัสนาเนี่ยให้เป็นคณะบูรกรก็ไม่ได้เหมือนกับในปริวาสนู่นแหละ แค่นี้ครับเนื้อความมันทําให้เป็นจํานวนเต็มทําให้เป็นคณะบูรการเป็นองค์เต็มน่ะสมมุตินะมูรายะนี่ก็ต้องการสงศิรูปใช่ไหมครับมูรายะนี่ต้องการสงศิรูปเราเราเราเราอยู่กันห้ารูปใช่ไหมครับมีทิกสุ ป, ประพฤติมาปฏิวัติอยู่หนึ่งรูปแต่เป็นมูรายะปริกัสนาคือต้องอบัตในระหว่างแล้วต้องชักเข้าหาอาบัตเดิมล้มวันที่ประพฤติมาแล้วทั้งหมดนะครับมาเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นสง ไอ่อออประพฤติอยู่สององแล้วขอถ้าองคหนึ่งนะครับขอถ้าองคหนึ่งเราจะเอาเอาอีกองหนึ่งโมลยะองค์ที่ยังไม่ทันขอที่ยังไม่ได้สวดนะครับเอาองค์เนี้ยมานั่งเป็นองค์ที่สี่ในสงแล้วเราก็ถือว่าเราครบองค์สงฆ์แล้วก็สวดให้อ่สมมุติเอาเอาเป็นตัวบุคคลเลยว่าท่านรสท่านสมชัยท่านมงคลแล้วก็มหาน้อมนะครับแล้วก็มีผมอยู่ด้วยสมมุติอย่างนี้นะครับห้าองเราแล้ว ท่านมงคลกับมหาน้อมเนี่ยประพฤติปริวาตอยู่นะครับประพฤติปิวรติอยู่ในขณะนั้นนะท่านมงคลไปต้องอาบัติในระหว่างในขณะประพฤติวันที่ตองไอประพฤติมามันเลยล้มไปหมดเลยสงเข้าไปบอกกับสงแล้วสงต้องดึงกลับเข้าไปประพฤติใหม่คือต้องข อ, อกันใหม่ละผมจะทํามหาน้อมท่านรดแล้วก็ไอสมชัยผมรวมสี่องค์เอามาหาน้อมเข้ามาด้วยยังประพฤติปริวาตอยู่นะครับยังไม่ได้เก็บว่าไอต้องต้องมูลระยะเหมือนกันนะครับต้องมูลเอา ผิดมูลยะทั้งสององค์เลยต้องทั้งสองผมจะเอามหาโนมเข้ามาเป็นองค์ที่สี่ให้ครบสงของผมเพื่อสวจให้ท่านมงคลนะครับต้องมูลยะทั้งสองคนอะาาเช่นนี้เพื่อมูลยะก็ได้หรือมงคลเข้ามาขอปริวาสก็ได้นะครับอผมจะดึงเข้ามาแล้วเอามาตรวจให้ท่านมงคลท่านมงคลจะเป็นขอปริวาสก็ดีขอมูลยะก็ดีขอมานัทก็ดีขออภานก็ดีแต่ผมทํามาหน้อมซึ่งเป็นมูลยะปริกัศนาให้มาเป็นที่สี่อย่างนี้ไม่ได้ เหมือนกับที่เคยกล่าวไว้ในปริวาตยังไงอย่างนั้นเลยหมายความอย่างนี้นะครับเหมือนกันเข้าใจไหมครับครับเข้าใจผู้ควรแก่มูลยะไหมครับผมเอาพูดใหม่เราห้าองค์ผมสามองค์นี่เป็นประกตศตัดแท้เลยไม่ได้ต้องไม่ได้ประพฤติวัดมหาน้อมนี่ประพฤติปริวาตอยู่นะท่าน ท่านจะประพฤติมานัดหรือปริวาตอะไรไม่รู้อะอะไรก็ได้ของท่านแต่มหาโน้อมนี่ประพฤติปริวาตอยู่แล้วต้องในระหว่างใช่ไหมครับต้องในระหว่างพอท่านประพฤติของมงคลประพฤติปริวาตครบก็ดีหรือจะเข้ามาขอปริวาตก็ดีท่านทําเสร็จแล้วท่านจะเข้ามาขอมานัดทีนี้ผมก็สามองค์โอยสวดให้ท่านไม่ได้ไหมมหาโน้อมยังยั ง, ยงประพฤติปริวัติแล้วต้องในระหว่างก็ชื่อว่าควรแก่มูลายะใช่ไหมครับต้องล้ม ผมเลยอเขายังไม่ได้ขอยังไม่ได้ขอมูลยะคือยังไม่ได้มามามามาตรวจกลับคืนยังไม่ได้ตรวจปริวัทตรงนั้นก็ยังไม่ชื่อชื่อว่าปริวัติเพราะเสียใช่ไหมครับไอ้ขอใหม่ก็ยังไม่ได้ขอเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าควรแก่มูลยะควรจะล้มสงต้องต้องไอ้คำว่าควรนี่คือเตรียมตัวที่จะตรวจให้ใหม่แต่ยังไม่ได้ตรวจผมก็เลยเอามหาหนอมเนี่ยมาเป็นองค์สงครบองค์ที่สี่ของผมผมท่านรสท่านสมชัยแล้วเลยเอามหาหนอมเป็น องค์ที่สีให้ให้เป็นคณะบูรการสวดมานัดให้ท่านอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เพราะปริวาสก็อย่างนี้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันทําไม่ได้เหมือนกันนี่เขาบอกว่าปริวาสทําไม่ได้ยังไงอันนี้ก็ทําไม่ได้อย่างนั้นแล้วอันนี้ไม่ใช่อันเดียวนะครับมูลระยะปริการศนาเป็นต้นไอเป็นต้นของอ้าวเริ่มอ้าวผมจะขอเขียนนะครับบุคคลในในปริวาสในในกรรมนี้มีมีใครครับมือ จิ่าสองไม่ใชะปิบัติจากเนืานี้ของปริวาสนะครับอหา มีชัดต้อเห็ยนว่าตรงนี้ปริวาสิกะแล้วก็ต่อไปอะไรอ่ะนะครับบุคคลในในใ น, ในกรรมเหล่านี้ในกรรมมีปริวาสเปลี่ยนตอนมีมีปริวาสิกะพิสูนะครับ มูรายะปิกัรนาอันนี้มูรายะปิกัตนานี่เราจะใช้ข้างเดียวเลยแต่หมายถึงต้องในระหว่างในประพฤติปริวัติหรือประพฤติมานัทอยู่ต้องในระหว่างเป็นนั้นว่าหรือต้องในขณะที่ควรแก่อภานก็ยังชื่อว่ามูรายะนะครับสองผู้ควรแก่มานัทคืออยู่ป ร, ริวัติครบแล้วแต่ยังไม่ได้ขอมานัทในช่วงนั้นเรียกว่ า, ามานัทะมานัตาระหะควรแก่สมควรจะขอมานัทได้แล้วแต่ยังไม่ได้ขอนะครับไม่ได้เก็บวัดนะครับไม่ได้หมายถึงเก็บวัดนะครับต้องต้อง อยู่ในช่วงนู้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปเป็นขอเสร็จแล้วก็เป็นมานัตตจริกะประพฤติมานัตจบนะครับแต่ยังไม่ได้ขอผ่านตรงนี้ผู้ควรแก่ผ่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ครั้งแรกเขาบอกเกี่ยวกับปริวัติปริวัตินะครับปริวัติแล้วใส่อาทิษัพทันรอดเลยเข้าใจไปว่าหมายถึงปฏิวัติคนเดียวคนอื่นๆให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้มาบอกมูรายะเป็นต้นแต่ใช้อาทิศัพบ้างอีกทีนี้อาธิศัพบของของมูรายะปริกัตนาเอาใครครับอันนี้อั น, นี้ ันี้หนึ่งว่าถึงตัวนี้ทั้งที่สองว่าถึงตัวนี้แล้วอาิษ่จับของอันนี้คือนั่นเลยนี่นี่อันนี้มูรายะปริกัสนาอาิษ่จักของตัวนี้คือคืออะไรครับออนี่เพราะฉะนั้ น, นที่เหลือนี่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมูลายะปริกัสนามีข้อปฏิบัติไม่ต่างกับปริวาสิกะเลย ที่เอาเอามาคบองสงเอามาเป็นคณะบรุกษัเพราะฉะนั้นพวกนี้มีได้ไหมครับนี่มีไหมพิเศษรมีเป่ามีเพราะนั้นต้องประพฤติเหมือนกันหมดต้องประพฤติเหมือนกันหมดนะครับประพฤติเหมือนกันในปริวาสประพฤติเหมือนกันในมูลายะมูลายะบอกไว้นิดเดียวบอกไว้ทําไมพืชสืบเนื่องในปริวาสแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือนี่บอกในมานัสประพฤติยังไงวัดในมานัสนี่ไอ้พิเิตรขึ้นมาเพียงบอกทุกวันเท่านั้นแค่นั้นเอง การบอกทุกวันไอ้อย่างอื่นต้องทําเหมือนกันหมดต้องทําเหมือนกันหมดเลยขณะที่เรากำลังไม่ได้เจ็ดวันเป็นเป็นคู่ที่ปวดแก่อนั้นมีพระผู้ศุกเข้ามาเราต้องบอกบอกจริครับบอกเพราะเป็นผู้คนละพันทีบอกครับต้องบอกครับต้องบอกเพราะว่ายังไงก็จะแต่ไม่บอกเสียไหมครับ เสียสิครับเสียราตีแต่เราไม่เอามันใช่ไหมครับใช่ปะเออเราเป็นทุกขกรธไหมทีนี้เราเป็นวัฏจเพศไหมอ่าไอที่เราไม่บอกที่เขาไม่บอกกันเพราะเขาไม่ต้องการราตีแต่ถ้าไม่ไม่ขวนขวายบอกเราเป็นอะไรครับอ่าเป็นวัฏเป็นเราเป็นทุกขกรครับเป็นอาบัติทุกขกรถ้าถามถึงราตีเสียไหมต้องตอบว่าเสียแล้วทําไมปล่อยมันเสียเพราะเราไม่เอามันใช่ไหมครับ อ่าต้องครับไม่ใช่ว่าไม่ต้องบอกอีกไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นคือผู้ใดต้องบอกว่าต้องบอกบอกทําไมบอกเพื่อไม่ให้เราต้องเอาบัตรทุกกฎใช่ไหมครับแต่ที่ที่ที่ส่วนมากเขาเข้าใจกันเขาเขาไปเน้นตรงลาตีเท่านั้นเองไม่ได้เน้นตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ได้เน้นตรงวัฏเพรษเฮ้ยไม่ต้องบอกแล้วลาตีนี้เราไม่เอานี่นะถูกไม่ใช่ว่าไม่ถูกใช่ไหมครับผู้ถูก แต่ถ้าถามว่าเป็นอาบัติทุกกฎไหมเป็นครับเป็ น, เ, ปนเพราะเราไม่ไม่ไม่ประสงค์จะบอกนี่อวันนั้นตรงตรงตรงนี้ต้องแยกกันนิดนึงเวลาท้ามีคนถามนะครับมีพ้าถามเราแยกตอบสักนิดนึงอ่แยกตอบสักนิด น, ง น, ดนึงเพื่อเพื่อให้เขาเข้าใจชัดขึ้นวันนี้นั้นต่อของเก่าครับต่อของเดิมเราผมยังเหลือปัญหาท่านรถอีกคอหนึ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงครับดีท่านรถถามถามไหมบางทีถ้าไม่ถามผม ไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยเด่นนึกว่าสอนสอนผ่านมันง่ายก็ง่ายผ่านไปเลยอย่างนี้หรือไม่ใช่มันง่ายแต่เราคิดไม่ถึงก็ผ่านไปเลยผ่านไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ดีครับเดี๋ยวไปไเดี๋ยวก็กลับมาสงสัยกันอีกไม่ไหวท่านมีมีคําถามนะครับทีนี้มีคําถามว่ามีคําถามว่าผู้ต้องอาบัตหนักนะครับผู้ต้องอาบัตหนักแต่ยังมีส่วนเหลือ ปกปิดไว้ด้วยเพราะอาศัยความไม่เอื้อเฟือจึงปกปิดไว้นะครับผู้ต้องอาบัตินั้นไม่ใช่นางพิกุณีนะครับไม่ใช่นางพิกศณีแต่ไม่ต้องโทษแต่ไม่มีโทษนะครับเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยผู้ฉลาดคิดกันแล้วเราลองลองเอาไปคิดดูเดี๋ยวผมเขียนเป็นภาษาแปลเลยนะครับอ่าผู้ต้องอาปัชตินะครับต้องใส่บุคคลเข้ามานะครับหรือหรือใครเข้ามาต้อง คารุกังอาบัตหนักนะครับสาวเสสังแต่ยังมีส่วนเหลืออาบัตหนักที่ยังมีส่วนเหลือคืออาบัตลายจิต เ, เอออาบัตสังฆทิศนะครับต้องอาบัตหนักที่ยังมีส่วนเหลืออ่าแล้วอะไรโน่นอ น, ออนาธริยังปฏิจจะอาศัยความไม่เอือเฟือไม่เอือเฟือในในในวินัยเนี่ยนะครับฉาเทติจึงปิดไว้จึงปกปิดไว้อ่าแล้วก็อนะภิกุนี้ผู้นั้นไม่ใช่ไม่ใช่ภิกุนี้ด้วยนะครับ ไม่ใช่พิกจุนีโนจะปุเสยยะวัชชังแต่เธอไม่ต้องอาบัตไม่ต้องโทษแต่เธอไม่ไม่ไม่ไม่ต้องโทษไม่มีโทษปัญหานี้ผู้ผผฉลาดคิดกันแล้ววปัญหานี้ผู้ฉลาดคิดกันแล้วใครครับอันนี้ได้แก่ใครครับราารใครก็ได้พุทธเจ้าก็ได้พระมหาราชพระริยะทั้งหมดครับผู้ฉลาดในทีนี้คือไม่ใช่เราคือไม่ใช่เราพวกนี้ อ้าวครับหมายถึงใครครับในที่นี้ที่ต้องอาบัต ส, สังฆทิเศแต่แล้วก็ปุบปิดไว้ด้วยแต่ไม่ต้องรับโทษไม่ต้องบอกว่าสึกหรือไม่สึกไั่คือไม่มีโทษจะสึกก็ดีไม่ไม่สึกก็ดีนะครับฮะอา้อาว เ, า เ, าเาขาฮะอ่าอ้าวภูธรรมกนเขาเรียกว่าอาธิกา ม, มิกะอา้อาวอ้าวต่อไปอีกอ้าวพิสกบ้าวิกลจริต จฟุ้งซ่านอ่าเวทนาแกะกา อ, อ่าไหนครับไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวเหมือ น, เ ห, อ น, น, นเหมือนกันกับผีเข้าเหมือนกับไออเอออะไรอา่าเทวดาหรืออะไรที่เป็นคู่เวรกันเข้าสิงเหมือนกันมีจิตไม่ไม่ไ ม, มีสามารถประคองตัวเองได้ไม่รู้สึกตัวเวทนาแกะกะไม่ใช่อ๋ยปวดฟันชิ้นหายไว สังค่าทิ่เสียทั้งข้อเขาหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่อย่างนี้อย่างนั้นนี้จิตแกคิดลาบมกนะเอาเอาอะไรเอาตอบนะครั บ, บก็ปัญหานี้นะไม่ใช่ไปซื้อเสืสมม้อโมดแป่อย่างนี้ก็เสียใจความขอหมดเลยอ๋อ อ้ชาช้านี่ว่าชา้านี่แกเป้ย ส, ส่วนมาเข้าสภาพทำดีนี่นุ่ยในแกฤกษ์ซึ่งเลย้อชาช้าเอาเลยเอาเลยไม่ต้องเกรงใจเร็วนูหนูหน อ, อันอันหนูเนี่กูจะได้ีอันอันผู้ชราคือพุทธเจ้าและภาริยทั้งหลายกติโตกูอุกขิะเกนะด้วยอุกขิตกะพิสูหรือด้วยพิสูผู้ถูกยกวัดเอาไะ ครับอ่าแค่นั้นเอาเอาเอาที่นี้เอาเนื้อความมันที่ท่านกล่าวว่าผู้ต้องอาบัตนะครับหนักที่ยังมีส่วนเหลือแปลโดยตรงว่าผู้ต้องอาบัติสังฆ์ทีเศษแล้วอายมีจิตไม่เอื้อเฟือในวินัยจึงปกปิดไว้ผู้ต้องนั้นไม่ใช่ภิกษุนีแต่ไม่มีโทษนะครับไม่มีโทษหมายถึงหมายถึงผู้ต้องนั้นไม่ใช่ปะกตตะนะครับอุกิจกาะในที่นี่ ถูก ส, สงยกวัดสามพวกสีพวกอะไรนั่นไม่ใช่ประกาตาแล้วกันเอาพิจาุที่ไม่ใช่ประกตตะคือถูกสงยกวัดอยู่นะครับถูกสงยกวัดไว้นะครับเธอไม่ต้องโทษจอคื อ, คอเข้ามาประพฤติเหมือนอย่างเรานี้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเธออย่าไอ้พวกเราอย่าไปสอนสอนอย่าไปคบอย่าไปหาอย่าไปเข้ามาในพวกเราไม่ได้เลยหมายความอย่างนั้นต้องประพฤติชอบเสียก่อนแล้วเข้ามาขอ จนสงเห็นว่าเออขบพระพิชอบแล้วพวกนั้นน่ยพวกที่สุกสงยกวัตก็เข้ามาขอที่ผมทําไปเมื่อก่อนเมก่อนอ่าตอนนี้ถ้าสมมติไม่เห็นหบัตตอนนี้ผมเห็นแล้วครับทำไม่ไม่ยอมสแสดงนบัดตอนนี้ผมสแสดงแล้วครับถ้าเออเอเ อ, เ, อเกี่ยวกับทิฏีลามกเดี๋ยวนี้ผมเลิกแล้วครับผมมีความคิดเห็นถูกตรงแล้วอ้าวสงก็ยินยอมแล้วครับตรวจประกาศตรวจกรรมวาจายกเธอกลับเข้ามาสู่สู่ความเป็นเอสมาณะสังวาสใช่ไหมครับยกเธอเข้ามาถ้ายกเข้ามาอย่างนี้แล้วทีนี้ต้องประพฤต นะครับครับไอไอตอนตอนยังเป็นอุกิจกรรอย่างนี้มาเพราะไม่อย่างกับเราเราจะไปสวดให้ได้ยังไงโทษนี้มีไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ครับในวินัยชอบมีอย่างนี้เหมือนกับในในอะไรในในวิธรรมก็มีอย่างนี้่ะเออครับมีอย่างนี้ชอบมีมีอย่างนี้ท่านท่านถามแล้วก็ตอบไปให้วันวันวันก่อนวันก่อนวัน รู้ว่าต้องอาบัตต้องอาบัตแล้วแล้วรู้ว่าต้องอาบัตใช่ไหมครับอ ง, องององแห่งการปกปิดใช่ไหมครับองศิษยแห่งการปกปิดต้องอาบัตแล้วแล้วก็รู้ว่าต้องอาบัตนะครับถ้าอย่างนี้แล้วแล้วเธอมีมีความสามารถข้างล่างข้างล่างตรงนั้นแล้วปกบิดไว้มีประความปรสงปกปิดปกปิดก็เป็นอันปกปิดไป น, นะครับทีนี้ต่อมาพูดไปถึงไอ้นู่นแล้วแล้วหุกาบัตสําคัญว่าเป็นขลุขลุลสมบัติผ่านไปแล้วตรง น, นั้นทีนี้ประกาตปกตาตติปะกาศตานี่คําว่าปกตศตะหมายถึงแค่ไหนนะครับ คำว่าประกตตะในที่นี้หมายถึงภิกษุผู้ไม่ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมหรือเนี่ยครับไม่ไม่ไม่ถูกสงยกวัดคืออุทิกะนะครับคําว่าปกติปกติตโตติในทนี้ประกตตะนะครับคือภิกษุผู้ไม่ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสามอย่างลงเพราะไม่ไม่เห็นอาบัติลงเพราะไม่แสดงคืออาบาัตลงเพราะมีความเห็นลามก นะครับอย่างที่วันก่อนผมบอกอริธาพิสุนั่นนะครับนะครับโอเคปฏิญกำสมัยรรมนี้นของเราไม่ไม่ได้ทํากันลเลยเห็นไม่ได้ น, นึกไม่ออกว่าเออเขาเขาลงกันยังไงอะไรอย่างนี้มองไม่เห็นความจริงไม่ใช่อวบตตัวใหญ่ๆหรือรุนแรงอะไรอย่างนั้นทำนํำอย่างนีแ้แล้วแล้วเราสง่งสงสวดจ้วัดไม่ใช่บางทีก็ไม่ใช่อวบจนรุนแรงเชครับอาบัตตัวเล็กๆนี่แหละันคือระหูกาบัตดนี่แหละแต่ทำประชามเลย ใครบอกไงก็ผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นอาวัตเลยอย่างนี้นี่อย่างหนึ่งทำประจําเลยแล้วก็สงไว้บอาเอ้ยอย่างนี้เป็นอาวัตใช่เป็นอัตแต่ผมจะทะําอ่ะท่านตอา้องแสดงคืนนะนี่อย่างนี้ไม่ได้ท่านไ ป, อ ย, นยปญญไไอย่างนี้พุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วไม่ควรทําอย่างนี้ผมไม่แสดงใครจะทําะไรนี่คือทําอย่างนี้ไปตลอดเลยสงไปเจ น, เนอย่างนี้ครับสงสรวจประกาศเลยครับสวดได้สรวจได้แต่ของเราไม่มีของเราไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทําอย่างนี้ไม่มีนะครับปัจจุบันนี้ มีเยอะแต่เราไม่มีใครสวดใช่ไหมครับเพราะนั้นจึงไม่เป็นอุกิจกะใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีอุธิกะอ้าวสามทิฏฐิรามกวันก่อนบอกไว้แล้วเอ้าพระเจ้าอนุญาตการพิจารณาปัจเจศอันนี้ยกตัวอย่างขอเดียวนะครับปัจจเจศหรือเกี่ยวกับอันนี้นั่งพรมนี่ครับพรมเป็นของประนีใช่ไหมครับละเอียดพิจารณาแล้วจึงนั่งไม่มีโทษเพราะฉะนั้นเมถุนธรรมมันเดิมทีมันเป็นของมิโทษพรมมีของเป็นของมิโทษนุ่มนิ่มกับกับสัมผัสใช่ไหมครับเป็นการมิโทษกับสัมณะ แต่ถ้าพระจ้องค์บอกว่าถ้าพิจารณาแล้วจริงใช้สอยจึงบริโภคก็ไม่มีโทษอีกเพราะนั้นการมคุณก็ของมีโทษพระเจ้าพูดถูกแต่เราพิจารณาแล้วจึิงเสพเป็นของไม่มีโทษอีกนี่อริธาคิดอย่างนี้ครับแล้วก็แนะนํากันอย่างนี้อย่างนี้ทิฏฐิรามกครับคนอื่นห้ามไม่เชื่อท่านคิดอย่างนี้ไม่ถูกมันต้องอย่างนี้ยังไงก็ไม่เชื่อครับไม่เช่แกแก็มีช่องเล็ดลอดออกไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วเตือนแล้วครับสงฆก็สวดประกาศเลยอย่างนี้อุกิจกักะแล้วครับหรืออุเขบันนีตามลงโทษเลยครับลงโทษประกาศเลย ไม่ตรงไปคบไม่ตรงไปหาไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปสอนให้อยู่คนเดียวหรืออยู่พวกเดีย ว, ย น, ยวนูนะ่นน่ะอย่างนี้ไหนครับ <zub> ไม่ไม่ใช่ถูกจวดมหายานไม่ได้ทําอะไรกับเราเลยบวชก็ไม่บวชได้กรรมวาจาอย่างนี้ไอ้นานาสังวาสในที่นี้เกี่ยวกับกรรมนี้หมายอุรกริจกะใช่ไหมครัแต่นานาสังวาส่วนอื่นอย่างอย่างเนนก็เป็นนานาสางวาสของเราด้วยเพราะเนนไม่ได้สวด้วยกรรมวาจาเข้าในสังฆกรรมนี้ไม่ได้โยมก็เป็นนานาสางวาสกับของเราใช่ไหมครับ เพราะนั้นมหายานมหายานนี่บวชเขาก็ไม่ได้บวชดด้วยกรรมวาจาใช่ไหมครับเออเขาใช้ทุปจี้ชา่ชาชา่าช่างคือขสอนเกี่ยวกับโพธิจัตนะครับให้มี จ, จิตใจเออเพื่อ เ, อเอผื่อแผ่ปานี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ทุปจุดทีเดียวสามดอกดอกโตๆขนาดนี้เห็นไหมครับทุปยีนแล้วแบบางทีทุปทุปเล็กก น, นะแต่มันแข็งเลยครับทุปอย่างแขงแล้วก็ช่างควันขึ้นเลยช่างชาบางองค์ก็ทนได้สิบสองสิบสองแถวเลยครับ หนึ่งสองสามสี่สามสาสามสมสสิสองแถวตั้งแต่นี้จนจุดนี้นะครับตายเลยครับผมตายแชงย่งแช่ ง, งดับทูบดับโอเป็นอันสําเร็จแล้วครับคือสําเร็จการบวชแล้วต่นั้นแต่เขาก็มีส่วดนะครับนะโมอะไรเขาสวดเขาสวดส่วนอะไรตาอะไรไปอย่างนี้ครับสวดคือสวดในในส่วนวินัยเขาก็ถือว่ากรรมวาจะแต่มันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างที่เราสวดนะครับเมื่อเขาไม่สวดก็ไม่ช่วยกรรมวาจะครับครับเพราะฉะนั้นดังนั้นไอ้ที่เราถือว่าเขาต่างกับเรา เพราะเขายังไม่สําเร็จเป็นเป็นบรรพชิตด้วยด้วยกรรมาวาจะเหมือนเราใช่ไหมครับนี่เราถึงตรงนี้ต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นในเทรวาจึงมองมหายานว่า เ, เกี่ยวกับไม่ใช่วฝ่ายธรรมะนะครับฝ่ายวินัยนี่เรามองเขาเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้บวชนะครับเหมือนยังไม่ได้บวชหรือเหมือนกับ เ, เป็นคราดเป็นเนรเป็นเป็นสัตธรรมแท้เพราะเพื่ชอบอยู่นะครับก็เหมือนอย่างนั้นนะครับ คุยกันได้ไม่ได้คุยนะกะตุกกระตุกแค้นห น, น่อยไปเที่ยวเดียคนได้ไหมกินได้น่ะอ้าอ๋อเขาอยู่วัดจีฉางนะไอ้ในนั้นไม่มีวัดไม่มีข้างมีไหมนี่วัดจีฉางมันเป็นเหมือนสันเจ้าอนะ่ะครับเป็นที่คนเข้าไปไหว้เจ้ากันวัดจีฉางอ๋อ อ, องั้นอาจจะมีที่อยู่ตรงข้างข้างหลังนู่นก็ได้นะ ไม่ใช่ทุกทั้งไม่ใช่ทั้งหมดอ๋อใช่อาจจะเอาเอาความเห็นของคล้ายญี่ปุ่นส่วนมากญี่ปุ่นที่ชุดเกียวที่ชุดเกียวเออชุดเขียวญี่ปุ่นก็มีไม่ใช่ไม่ใช่มีนี่ลายเดียวอีกนะครับที่ชุดเขียวก็มีชุดเทาแบบคล้ายๆเกาหลีก็มีแต่เทาอ่อนกว่าอย่างนั้นก็แต่ชุดเขียวนี่เขาเขาได้เลยไม่เป็นไรได้่จะได้คคดว่าอย่างอีารยิ้มจะจะเสร็จนี้อืม กว่าอย่นกว่าทำข น, นาที่ทนํนันก็ทํได้ ส, สิบ้ทาทค่ะคนาที่ทํทำได้สิบบาท เ, <อ>เป็นเพียงแต่สักว่ากิริยาทาเท่านั้นโยมสุดาเราไปฟังกับเพื่อนแกไกับเพื่อนไปฟังข่อนีนะ้แล้วเพื่อนแกอยากจะลองดูว่ า, าเป็นไนะุ้สิบบาทาเป็นยังไงโยมสุดาข้ามไว้จนแกจะลองเพื่อนเพื่อน จนเวลาห้ามไว้เยื่อย่อยากจะลองดูว่าเสร็จด้วยจิตบ้างไหมผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายอ๋อยากจะไปลองจนเวดาได้ห้ามไว้อย่างดีท่านพิสิทิไม่รู้จนเวลาจนเวลาเข้ามาเรียนในที่ทานี่ครับรู้ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็ห้ามไว้อือออย่างดียังนี้มีเพื่อนที่ที่ที่รักกันอยู่นะแล้วแล้วห้ามแล้วเชื่ไหมแต่ผมว่ายังสงสัยสงสัยอยู่นะ เขแอบไปลองแล้วนะอ๋ออืมอืมโอก็มีคนคิดอย่างนี้เหมือนกันเนาะอ๋อชนั้นช่วงนั้นกำลังพื้นฟลายไหมกำลังกำลังดังอืมอืมเขาให้ามาให้ เอ้วันนี้ทำไมผมเปิดหนังสืออ่านทดลองแบบญญาาทดลองแบบไห น, ไไนเพราะว่าหลอแก้วแวมันต้องไปทดลองแล้วยการทดลองอือ่ราะหน้าทดลองอือจะว่างหรือเปล่าเดี๋ทามาทดลองกบท่านนะเดี๋ทานมาทดลองกับท่านนะเอ่อมาต่อนะครับทีนี้พวกนี้นะครับเอ้พวกที่ถูกยก วัดด้วยอาการ3ามอย่างนั้นชื่อว่าถูกอุเขเป็นนิยกรรมหรืออุคิดกะนะครับถูกยกเหมือนกันนะครับไอจับจะอาจจะต่างนะครับแต่ถ้ากรรมเรียกว่าอุเขเป็นิยกรรมพิสุก็ไปเป็นอุคิดกะพิกสุนะครับอย่างนี้ทีนี้พิกสุนั้นน่ะพิสุจะเป็นปริวัติอะไรไรๆลงมาเลยนะครับยังเอ่ไม่เสร็จฏิวัติพิกษุพิกษุถ้าพิกษุมีความสําคัญว่าเป็นปกตตะนะครับมีความสําคัญว่าเป็นปกติๆแล้วปิดไว้ ก็ชื่อว่าปิดนะครับแต่ถ้าว่าเธอเป็นผู้ม mm ีไออะไรมีความสําคัญว่าไม่ใช่ประกาศตาไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องนะนี่นี่เราจะกล่าวถึงผู้ต้องอาบัติไงครับผู้ต้องอาบัตประกาศตัวอะไรอะไรอย่างนี้ครับสําคัญอย่างนั้นนะครับเขาอาจจะทํากรรมอื่นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดไว้คือเธอต้องอาบัตนะนะครับที่ผู้นั้นต้องอาบัตสําคัญว่าตัวเองไม่ใช่ประกตศตะแล้วปิดไว้อันนั้นไม่เป็นอันปิดนะครับไม่เป็นอันปิด ไม่เป็นอันปิดนะครับพิกสูไม่ใช่ประกตศตะสําคัญว่าเป็นปกตศตะก็ดีไม่เป็นประกตศตะก็ดีแล้วต้องอบัตรปิดไว้ชื่อว่าไม่ปิดอีกเหมือนกันเพราะตัวเขาไม่ใช่ประกตศตะแต่สําคัญว่าเป็นประกตศตะหรือไม่สําคัญว่าไม่ใช่ประกตศตะทั้งสองอย่างไม่เป็นอันปิดเพราะเธอไม่ใช่ประกตศตะถึงจะสําคัญต่างออกไปก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นข้อพิเศษนะครับ อ่าต่อไปข้ออันอ่อันตรายอันตรายอันตรายนี่หมายถึงอันตรายสิบอย่างมีอะไรอ่ะอันตรายสิบอย่างไปไหม้น้ําท่วมไปไม่ได้อะไรฟังอะไ ร, อ, ร อ, อะไรเอ่งูงูแสนร้ายผีเข้าอะ อ, ะอะไรนะไม่รู้่นะอ่าเอาอันตรายสิบอย่างไปหาเองนะตนตรงนั้นเอาทีนี้พิกตุ พิสูจนนั้นต้องอาบัตนะครับนอะ